ปฏิเสธไปก่อนเลยมันจะไม่ยอมรับแล้วมันจะเพ่งโทษคนที่มามาติเราหรือว่ามาว่าเราว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรมันจะอย่างนี้เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าใครเป็นแม่ครัวนะทํากับข้าวอาะสมมติอย่างโยมปาณีอย่างเงี้ยนะชำนาญเรื่องน้ําพริกอย่างเงี้ยเราโอ้โหทํามาเป็นห้าปีเป็นสิบปีนะเป็นมือโป๊โป๊ โปรเฟสชันแนลนะมืออาชีพในเรื่องของน้ําพริกทํามาโอ้โหแทบจะหลับตาทําได้แล้ว <c oughs> นะเรียกว่าหลับตาทํำยังไงก็โอ้โหออกมาอร่อยออกมาอร่อยเสร็จแล้วเกิดมีสักวันหนึ่งเนี่ยคนเข้ามาลองชิมโอ้โหบอกโอ้โหทํามาได้ยังไงเนี่ยใครทํานะีรสชาติจะไม่ได้เรื่องเลยดูที่เค็มเกินไปเผ็ดเกินไปหรืออะไรเงี้ยเอาแล้วถ้าเราติดอันนี้อยู่ถ้าเราหลงอันนี้นะั้นเราจะขึ้นนะ เราจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจและไม่พอใจเพราะเราว่าเราทําดีแล้วเพราะว่าเราเราเราเชื่อแล้วว่าเราทําได้ดีแล้วมันจะปักตัวนี้ลงไปเลยเพราะฉะนั้นจะต้องระวังตัวเพ่งโทษอันนี้ให้ดีแล้วก็อยากอยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยโอกาสให้เป็นบางคนนี่ช่วยโอกาสไม่เป็นอย่างเช่นบางครั้งเราทํางานทําการหรือว่าเราเจอ การโดนติเตียนเนี่ยแล้วเราไม่หัดรับลูกให้เป็นคนนั้นจะไม่ได้ฝึกเลยจะไม่ได้ฝึกเลยวาบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตก็บอกละบางทีหัดเลยหัดรับลูกเลยเออโดนติมาบ้างโดนว่ามาบ้างหัดหัดรับมารับมานี่หมายถึงว่าว่าเราก็ฝึกมาทำใจเราให้เราเนี่ยนะเข้าใจว่าเขาติมาว่ายังไงมุมดีมุมเสียอะไรยังไง นะ่เราหัดรับมาแล้วก็มาปรับใจเราว่าเออเราพร้อมที่จะรับนะ่มันเป็นขุมทรัพย์มันเป็นประโยชน์ผู้เจ้าถึงใช้คาว่ า, านี่แหละเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรานะต้องต้อ ง, ต, องต้องพยายามฝึกอันนี้ให้ได้ถ้าใครไม่ฝึกอันนี้เนี่ยอันตรายยืนยันเลยว่าจะหนีไม่พ้นเรื่องเพ่งโทษคนที่มาติเราจะหนีข้อนี้ไม่พ้น นีไม่พ้นจริงๆนะนี่ไม่ได้นะพูดเล่นเลยแล้วมันไวมากเลยเพียงแค่เขาเอ่ยปากมานิดเดียวเราทันทีเลยขึ้นเลยจิตตัวนี้จะขึ้นทันทีเลยถ้าใครไม่ฝึกเอาไว้นะะข้อสี่นะเอื้อเฟื้อต่อคําสอนและผู้สอนดูนะผู้เจริญไม่มีวันตกต่ําจะต้องเอื้อเฟื้อต่อคําสอนและผู้สอนอันนี้ฟังง่ายๆนะฟังว่าเอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อต่อคำสอนมีคือมีสองอย่างเอื้อเฟื้อต่อคำสอนกับเอื้อเฟื้อต่อผู้สอนพอเพราะฉะนั้นในที่นี้ฟังแล้วเพราะว่าคำสอนแล้วก็ผู้สอนแต่ในที่นี้เราบอกแล้วว่าจริงๆเน่คนที่มาสอนเราเนี่ยคือคนที่มาติเราส่วนใหญ่เราเวลารู้สึกว่าใครมาติเราเนี่ยเราไม่คิดว่าคนนั้นมาสอนเรา หมายถึงว่ามันมาด่าเราเรารู้สึกว่าอย่างงั้นนะว่าไอ้ น, นี่มันมาด่าเราอย่ว่าอย่างเงี้ยเออจะคิดอย่างงั้นมากกว่าเราไม่คิดแต่ว่าคนที่เป็นครูของเราเออเข้ามาอบรมเข้ามาช่วยสั่งสอนเราเราจะได้เก่งขึ้นน้อยไลที่คิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาใครมาติมาว่าเ อ, อน้อยไลเนี่ยโอ้โหนี่เป็นเป็นผู้ที่จะมาช่วยทําให้เราบรรลุทําได้ไวขึ้น มันน้อยเลยที่จะคิดได้อย่างนี้ว่าอะไรเพราะจิตมันตามไม่ทันส่วนใหญ่กิเลสที่มันมีอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เอื้อเฟื้อหรอกตอคำสอนใช่ไหมอย่างแรกคือเราจะไม่เอื้อเฟื้อต่อคำที่เขาติเราวันอานมาบอกแล้วว่าทุกคำที่เขาติเรามาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเตรียมหาคำเถียงเตรียมหาคาแก้ตลอดเวลาเลยมันไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตาหนิหรือคาสั่งสอนของคนนั้น มันไม่เ อ, อื้อจริงๆพราะมันเอื้อเฟื้อเนี่ยหมายถึงว่าเออเราหัดทําใจสงบสงบหน่อยแล้วก็รับรับรับฟังให้ได้ว่าเ้าติมันยังไงเขาว่ามายังไงเอื้อเฟื้อต่อคําตําหนินั้นหรือเอื้อเฟื้อต่อคําสอนนั้นนั่นแหละเสร็จแล้วยังไงถ้าแม้แต่ไอ้คาตําหนิคําว่านั้นคุณยังเอื้อเฟื้อไม่ได้อัตมาบอกได้เลย ไม่มีทางสหละที่คุณจะเอื้อเฟื้อต่อผู้ติหรือว่าผู้สอนนั้นและในมุมตรงกลางข้ามไม่เพียงแต่คุณไม่เอื้อผู้ติผู้สอนนะคุณยังจะเอาเรื่องผู้ติผู้สอนต่อให้สมณะก็สมณะเถอะต่อให้เนี่ยเป็นพ่อท่านก็พ่อท่านเถอะถ้าคุณลองคุณลองไม่มีจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่เอื้อจริงๆพ่อท่านติพ่อท่านว่าอะไรมาคุณก็ชักไม่หลับละ นะคำเทศคำสอนนี้ไม่รับมันจะปฏิเสธเลยมันจะไม่ยอมรับและเมื่อคุณไม่รับคำติคาคาสอนนั้นคุณก็เริ่มไม่รับตัวบุคคลด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่และพอครั้นี้คุณไม่รับตัวบุคคลเนี่ยอาจมาบอกได้เลยว่าจิตมันแย่ลงไปเรื่อยเรื่อยมันเหมาแล้วทั้งทั้งที่บางทีเราเคยเคารพเราเคยศรัทธาผู้นี้ด้วยซ้ำไปแต่พอเราโดนติโดนว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเดียว เราไม่ยินดีเราไม่พอใจมันพานไปเลยมันพานหมดไปเลยกลายเป็นว่าบุคคลที่มาติมาว่าเรานั้นนะ่ะกลายเป็นเสียทั้งหมดเลยกลายเป็นไม่มีดีอะไรเลยมันเหมาแล้วเนี่ยเนี่ยให้เห็นจิตเป็นพานแต่ถ้าจิตใครไม่เป็นพานนี่นะถ้าเราโดนติโดนว่าในเรื่องนั้นใช่ไหมแม้ว่าเราไม่ยอมรับในเรื่องนั้นนะถ้าจิตคุณไม่พานถึงขั้นหนักเนี่ยคุณก็ เฉพาะเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ยอมรับว่าเอา้าท่านมาติมาว่าอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคุณอาจจะไม่ยอมรับเฉพาะเรื่องแต่คุณไม่มีจิตผ่านไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นคุณยอมรับว่าเอ้ท่านพูดดีแล้วท่านสอนดีแล้วท่านถูกแล้วอ่านี่นี่ยังให้เห็นว่าว่าแยกแยะได้ไม่พ่านแบบเหมาเข่งไม่ผ่า น, แ, บบาานแต่ส่วนใหญ่มันแหมหายากหายาก ที่จะมีสติสัมปชัญญะระ ล, ลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วคอยระมัดระวังใจตัวเองเอาไว้ว่าเอ้ยเราโดนติเรื่องนี้คุมมาไว้กําหนดตัวไว้ให้ดีเฉพาะเรื่องนี้นะอย่าให้มันเลยไปเลยเถิดเป็นเรื่องอื่นนะโอ้มันยากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่าไปให้มีจิตเพ่งโทษไปเลยเราควรจะเอื้อเฟือเอื้อเฟือหมายถึงว่าต่อให้เขาติมาผิด ต่อให้เขาว่ามาผิดแต่เรารู้เลยว่าเจตนาของผู้ติเจตนาของผู้ว่าเนี่ยเขาเจตนาดีกับเราเจตนาที่จะให้เราได้เปลี่ยนแปลงเจตนาที่จะให้เราปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละแม้เขาว่ามาผิดด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะเอื้อเอื้อต่อคำตำหนินั้นเอื้ออย่างเช่นบางทีเอื้อเนี่ยก็คือเอาจริงๆเขาก็ว่ามาไม่ถูกเท่าไหร่นะ แต่เอา้าเรายอมรับฟังแล้วบางทีเอา้าเขาอยากจะให้แก้อย่างไรเอา้าเราจะแก้ให้เขานี่คือคือเอื้อเฟื้อต่อคำตำหนินั้นโดยที่บอกแล้วนะมันไม่ได้เสียธรรมหรือว่าไม่ได้เสียวินยัยเสียสีนลายอ่เราก็เอือเอ้อให้เอื้อให้อย่างเงี้ยคนนั้นเริ่มฝึกรดมณอั ต, ตาตัวเองลงไปด้วยซ้าไปนะอันนี้เป็นข้อที่สี่ส่วนข้อที่ห้าเคารพต่อคาสอนและผู้สอน โอ้โหแล้วทีนี่แค่ให้เอื้อเฟือนะ <c ười> คือเลิกเพ่งโทษแล้วนะก็สามนะ่ะพยายามอย่าไปเพ่งโทษพอมาข้อสี่ให้คุณหัดเอื้อเฟื้อเพิ่มมากขึ้นพอมาข้อห้านี่ให้คุณเคารพเลย <c ười> ให้คุณเคารพคําสอนและผู้สอนโอ้หนักยิ่งขึ้นใช่ไหมยิ่งพอมาถึง 6, ข้อหกข้อนี้อะไร อ, อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดียิ่ง โอ้โหต้องเคารพต่อคาสอนให้เห็นจริงๆเลยว่าโอ้โหเขาไอ้คำติเนี่ยไอ้คำว่าเนี่ยต่อให้มันไม่ถูกต้องต่อให้มันผิดพลาดมาก็ตามแต่คำติคำว่านั่นแหละนะเป็นคำที่จะมาพิสูจน์หรือว่าเอามาให้เราเนี่ยได้ฝึกหัดได้ฝึกฝนเออเรานี่จะทําใจได้ไหมที่จะเคารพต่อคำคำสอนนั้นน่ะ ซึ่งเขาเจตนาสอนเรามาเออเราเครารพต่อคําสอนนั้นได้ไหมจนกระทั่งเนี่ยเรายอมที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดียิ่งนิวาโตนะเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดียิ่งได้ไหมฟังฟังดูแล้วรู้สึกแหมกว่าจะมาถึงข้อหกนี่จะไหวหรือเปล่ามันจะไหวไหมเนาะกว่าจะมาถึงข้อหก แค่ให้เคารพคําสอนนี่ก็รู้สึกจะยากแล้วนะคำลบคำเคารพคําติติงเตือนว่ากล่าวเนี่ยแมฝืนใจเราน่าดูแลนะยังจะต้องมาให้อ่อนน้อมถ่มตนแล้วไม่ใช่แค่นี้ข้อ7ขึ้นไปว่ามีความปิติยินดีต่อคําสอนต่อคําติเตียนที่ถูกต้องดีงามนะตรงนี้พ่อท่านใช้คําว่าจะต้องเป็นคําสอนเป็นคําที่ติเตียนมาด้วยเจตนาดีนั่นเอง นะไม่ใช่เจตานาร้ายนะจะ ต, ต้องแล้วก็เป็นคาติติงเตือนที่ถูกต้องนะเราถึงจะปิติเราถึงจะยินดีตรงนี้มีความแตกต่างตรงข้อเจ็ดนี่คือมีความปิติมีความยินดีต่อคําติคําว่าที่ที่ถูกต้องนั่นเองที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเขาติเขาว่ามาผิดผิดว่ามาแบบอะไรอะ่ะไม่ถูกต้อง ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิคุณควรจะอ่อนน้อมคุณควรจะฟังคุณควรจะเคารพให้เกียรติเขาแต่ไม่ควรไปมีปิติยินดีอะไรฟังดูให้ดีนะไม่ควรไปมีปิติยินดีอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าก็มันไม่ถูกต้องอะ่ะขอติมาผิดๆอะ่ะมันจะไปควรยินดีอะไรไกับไ่คำสอนนั้นใช่ไหมมันไม่ควรจะมีปิติยินดีอะไร เพราะเรารู้ว่าอ่านนี่เขาไม่ถูกต้องแล้วแต่เราไม่ควรโกรธหรือเราไม่ควรไม่พอใจหรือเราไม่ควรไปเพ่งโทษเราก็ยังคงควรมีความอ่อนน้อมควรมีความสุภาพควรมีความอ่อนน้อมอยู่นี่คือความแตกต่างนะระหว่างข้อ6กับข้อ7เพราะว่าข้อ7เนี่ยเราควรมีปิติยินดีในคําติเตียนที่ถูกต้องแม้ข้อนี้ก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกิน เขาบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันปติไม่ขึ้นเลยโดนคนเข้ามาว่าเราเงี้ยบางทีเนี่ยอาตมาเองยังสังเกตดูตัวเองเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกบางทีบางคนเข้ามาว่าเขา เ, เขาไม่รู้ตัวเลยนะคนบ้ <c oughs> านก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาว่าเราแล้วแต่เราเนี่ยมันจับได้อะคือเราเราความรู้สึกเรามันจับอย่างนั้นได้ว่าโอ้โหพูดอย่างนี้นี่ว่าเราเรารู้ละ ว่าว่าเอาเอาละเอาละเอาละบางทีเนี่ยเราเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกแล้วเอมันชักจะไม่ชอบใจแล้วนะอเรารู้สึกในใจเราแล้วมันชักไม่ชอบใจนะ <uki> เราชักรู้สึกไอ้หน้าชักตึงๆเมื่อกี้แล้วนะหน้าชักตึงๆแล้วมันจับอารมณ์ได้เลยบางทีพอจับได้แล้วก็โอ้โหเอาละมันมาถึงหน้ า, นาแล้วต้องรีบแล้วป ร, ปรับปรับปรับสภาพแล้วอย่าให้มันออกมานอกสีหน้าอย่าให้มันออกมานอกสีหน้ามากกว่านี้บางทีรู้สึกจริงๆนะว่าหน้ามันตึงๆ หน้ามันตึงๆถ้าปล่อยผ่านไปอย่างนี้อีกนะแมวยังไม่พูดเนี่ยถ้าปล่อยเลยจากหน้าตึงๆเนี่ยนะมันมันมันจะเริ่มเครียดแล้วคราวนี้หน้าเนิ่มจะเริ่มเครียดนะถ้าคุณปล่อยให้มากกว่านี้นะเอาละคราวนี้แล้วแต่ว่ามันจะออกสีแดงสีเขียวหรือว่าสีเหลืองแม่ต้อแต่ว่ามันจะออกสีไหนเพราะว่าเรายังไม่ระบายออกด้วยการพูดนะเราจับได้แล้วเรายัง อะไรกั้นไว้อยู่ไม่ให้มันออกมาเป็นคําพูดเพราะนั่นมันจะออกมาจากสีหน้าแล้วก็แวตออ ว, วตาเนี่ยก่อนออกสีหน้ากับแววตานี่ก่อนพอออกสีหน้ากับแววตาไปแล้วถ้าคุณคุณกั้นไม่อยู่แล้วถึงจะออกมาเป็นคําพูดเพราะฉะนั้นอนาจาถึงบอกว่าสังเกตดูสิบางคนเนี่ยเป็นคนที่ปกติมักจะไม่ค่อยพูดหรือว่าอดทนอดกั้นไว้เก่งอดทนอดกั้นเป็นคําพูดออกมาทางปากเลยนะเก่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าอดกัน้นทางใจไว้ได้เก่งนะยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกแล้วว่ามีจริตมีนิสัยที่ที่ไม่ชอบพูดสักเท่าไหร่นะแบบว่าชอบชอบเก็บอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเนี่ยมักจะพูดในใจแต่สีหน้าสีตาบางทีควบคุมไม่ได้นะมันจะออกมาจากสีหน้าสีตากับแววตาจะออกมา าบางคนแม้ไม่พูดเนี่ยคนอื่นเาก็พอจะรู้ได้ว่าโอ้โหนี่นี่ไปแล้วไปแล้วถ้าบางคนนี่เขาคุยด้วยเขาพอจะจับได้นี่เขาหยุดละเพราะเขารู้แล้ ว, ว ข, วขืนพูดต่อไปอะอาจจะปากแตกขืนพูดต่อไปแล้วมันเขาจะหยุดนะอันนี้อันนี้ผูใ้ใดเราฟังในแง่ที่เรียกว่าเออเราเองเราหัดจับอารมณ์จับความรู้สึกตัวเองให้ได้นะแล้วก็หัดบังคับจิตเรา เรื่องอะไรก็ตามแต่นะที่ที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเร า, เร า, เราจับได้ว่าเราไม่ยินดีเราไม่ชอบใจคุณระวังให้ดีเะแค่มันเกิดขึ้นแค่นี้เป็นตัวปฏิฆะเป็นตัวความความไม่ยินดีไม่ชอบใจแล้วมันอยู่ดีดเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยคุณบางทีหมามันเห่า หมามันเห่ามันก็ทําให้คุณไม่ชอบใจได้ครับคุณก็เพ่งโทษได้หมาตัวไหนวะเนี่ยแม่มามาวิ่งมาบังขี้เหม็นมาอะไรต่ออะไรแต่มาวันนี้เดินจงกรมอยู่หน่อยหนึ่งตรงตรงนัะเดินอาบแดดอยู่หน่อยหนึ่งตอนกลางวันตอนแรกๆเดินก็ไม่มีปัญหาอะไรเดินไปเดินมาก็เอ๊แถวนี้มีกลิ่นเหม็นขี้หมาขี้แมวอะไรต่ออะไรนะยังนึกอยู่ว่าเอ๊หมาตัวไหนวะแมวตัวไหนวะก็ยังนึกไปเลยนะ เพียงแต่ว่าถ้าคุณนึกโดยที่คุณไม่ได้ไปคิดเพ่งโทษนะคุณนึกไปธรรมดาแบบวิตกวิจารณ์ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นลักษณะธรรมดาของจิตคนเราที่มันมีการวิตกวิจารณ์อจะมีการพิจารณาอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้าคุณจับได้ว่าเอ๊ยนี่มันปฏิฆะมันไม่ยินดีมันไม่ชอบใจคุณระวังเถอะแค่เกิดตัวนี้ขึ้นมาเท่านั้นคุณเริ่มเพ่งโทษแหละทันทีเลย มันจะเริ่มทันทีเลยเพราะไอ้ความไม่ชอบใจเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวที่จะเป็นลูกโซ่ที่จะอะไรอ่ะร้อยตัวต่อไปเรื่อยๆร้อยตัวต่อไปเรื่อยๆจากปฏิฆะเสรจใช่ไหมคุณไม่ชอบใจคุณก็เอาละยิ่งเดี๋ยวคุณจะยีไอ้โดนเดี๋ยวยีไอ้นี่เดี๋ยวยีไอ้นั่นคุณเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยอะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปมันจะเพิ่มตัวไม่ชอบใจมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดนะมันก็จะเป็นตัวโกรธ โกรธก็ได้อ้าโกรธเสร็จต่อขึ้นไปอีกคุณคุณยังไม่หยุดคุณคุณจับจิตคุณไม่ได้วันนี้คุณคุณต่อไปเรื่อยแล้วคุณเพิ่มความไม่ชอบใจไปเรื่อยๆจนคุณชักโกรธแล้วคุณยังจับไม่ได้คุณไม่รู้ตัวหรือคุณไม่พยายามแก้ไม่พยายามร่างมันจากโกรธมันก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆเป็นผูกโกรธผูกโกรธขึ้นไปอีกโตขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเป็น พยาบาทเป็นจองเวนเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละถ้าคุณจับไม่ได้มันก็โตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยแล้วไหนที่สุดมันก็เป็นกิเลสที่หยาบขึ้นเรื่อยหยาบขึ้นเรื่อยเจนกระทั่งบอกแล้วพอไม่พอใจมากเ ข, าาาข้ามากเข้าในที่สุดคราวนี้พอถึงเวลามันก็เอาแล้วมันต้องระเบิดออกมาเป็นวัจกรรมหรือเป็นกายกรรมออกมาแหละเพราะฉะนั้นเรื่องของก็อื่นเรื่องของก็อื่นเขาคุณตัดลอบไปเลยว่าอา้า เขาจะพูดถูกไม่ถูกดีไม่ดีอะไรยังไงก็ยังคงเป็นเรื่องของคนอื่นส่วนเรื่องของเราอ่ะจิตของเราเองเรื่องของเรานี่มันอยู่ที่จิตเราเองถ้าเราเองเรารู้ว่าจิตอย่างนี้เราไม่ดีแล้วเป็นอากุโลนแล้วมันจะเพ่งโทษแล้วคุณมาปรับสิคุณมาแก้ที่จิตตัวเราเองแต่คนเราเนี่ยมันมักไม่รู้ตัวไม่รู้ทันจิตของตนตรงที่เรียกว่าพอเราไม่ยินดีเราไม่ชอบใจขึ้นมาปาั๊บเราคิดถึงแต่สิ่งอื่นเรื่องอื่น คนอื่นที่นอกตัวเราเราลืมดูสภาวะจิตของเราเองที่มันเป็นกินเลสโต้ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจับตัวนี้ไม่ทันเสร็จแล้วเวลาเราจะแก้แล้วก็เอานั่นนะดูสิพูดอย่างนั้นได้งไงควรจะแก้อย่างงงอย่างนี้คือมันมันไม่ทนมันไม่ทันแล้วมันจะแบบว่าจะไปแก้ก็แก้นอกตัวนอกตนไปเรื่อยซึ่งบางทีก็แก้ยากด้วยสู้เราจับจิตเราให้ทันนะ แล้วเราปรับเราแก้จิตของเราถ้าคุณแก้จิตคุณได้นะต่อให้คนอื่นเขายังมีเขายังเป็นยังไงอยู่คุณไม่ทุกข์ละคุณไม่เดือดเนื้ร้อนใจอะไรเพราะอะไรเพราะเขาทำไปก็เรื่องของเขาทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคุณอืมเพราะงั้นคุณจะไม่ต้องมาทุกข์แต่ถ้าเราไม่ทันอันนี้นะเราจะทุกข์อยู่บ่อยๆแล้วมันจะโตขึ้นด้วยมันไม่ใช่เท่าเดิมนะเราจะต้องระวังอันนี้ให้ดี อดูข้อที่แปดต่อไปนะพอข้อที่เจ็ดเนี่ยเรามีปิติยินดีต่อคําสอนต่อคําติเตียนที่ถูกต้องดีงามแล้วข้อที่แปดคือไม่ดื้อรั้น <c oughs> เออคํานี้สั้นๆ น, นะพอท่านใช้คําว่าไม่ดื้อรั้นเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วมันยากอย่างที่อาจามาบอกไอ้ตัวดื้อรั้นเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากความคิดที่เรามักจะคิดว่าเราถูกต้องตัวเนี้ย ที่ทำให้เราเนี่ยดื้อรั้นอยู่อย่างนั้นนะคือคือเราคิดว่าเราถูกต้องเมื่อเราคิดว่าเราถูกต้องเนี่ยใครติใครว่าอะไรมามันเลยเหมือนดือ้อที่เราจะทำอย่างนั้นให้ได้เพราะเราว่าเราถูกอ่ะว่าเราจะทำอย่างนั้นให้ได้พเพราระวังให้ดีพรานพ่อท่านบอกว่านะยืนหยัด <laughs> ระหว่างความยืนหยัดกับความดื้อรั้นเนี่ยต้องแยกให้ชัดนะยืนหยัดกับความดื้อรั้น ถ้าใครแยกไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นความดื้อรั้นมันไม่ใช่เป็นการยืนหยัดยนะเพราะนั้นอันนี้ให้ให้เรารู้แล้วมันไม่มีใครรู้ได้เท่าตัวเราเองเลยนะมันเป็นเรื่องยากมันมีอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้แต่เรารู้เท่าภูมิปัญญาเรารู้บางทีเนี่ยคุณว่าอันเนี้ยถูกต้องแล้ว ไม่ใช่ดื้อรันอ้นนะ่ะนะมันควรจะยืนหยัดอย่างนี้แต่ภูมิปัญญาเราเนี่ยสมมุตินะภูมิปัญญาแบบพระโสดาบันอา้าวมันก็ถูกต้องระดับหนึ่งมันก็ยืนหยัดสู้แบบระดับหนึ่งแต่ไอ้ยืนหยัดสู้แบบพระโสดาบันเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความดื้อรัน้นถ้าถ้าอยู่ในฐาน สูงกว่านี้นะเป็นสกิทาเป็นนาคานี่สมสมุติสมมุติมันอาจจะกลายเป็นความดื้อรั้นก็ได้บางที <c oughs> อันนี้ต้องจริงๆแล้วต้องยกตัวอย่างแต่แต่มันไม่ค่อยถูกหรอกที่อาจมาพูดมาเนี่ยเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปเป็นสกิทาเป็นอนาคาแล้วเนี่ยยิ่งจะไม่มาดื้อรั้นแบบของพระโสดาบันแต่อาจารย์ลังจะเปรียบเทียบว่าตอนที่เราเป็นแบบพระโสดาบันเนี่ยแล้วว่าถูกต้อง นะแล้วคุณก็ยืนหยัดทําจริงๆเลยตามนั้นแต่ถ้าภูมิคุณสูงขึ้นแล้ววันหลังเนี่ยคุณจะมารู้ทีหลังเองว่าโอ้โหไอ้แต่ก่อนแล้วว่าเรายืนหยัดมันถูกต้องแล้วเนี่ยวันหลังคุณจะมาแหมหน้าอายจริงๆเลยไอ้ตอนนั้นไปทําอย่างนั้นได้ยังไงมันยังยังดือ้อรั้นอยู่เลยนะในมุมนั่นในมุมนี้อะไรเงี้ยคือคุณจะมารู้ทีหลังต่อเมื่อบางทีเนี่ยเราเราภูมิสูงขึ้นกว่านั้น แต่ตอนที่ภูมิไม่สูงเนี่ยเราก็ว่าถูกต้องที่สุดแล้วถูกธรรมะที่สุดแล้วเนี่ยอาจมาถึงบอกเออมันก็ยากหน่อยไอ้ตรงที่มันก็ได้เท่าที่เราจะมีภูมิมันก็ได้แค่นั้นแต่จริงใจนะบริสุทธิ์ใจไม่ได้เสแสร้งไม่ได้อะไรอ่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอ้เรื่องว่าไม่ดื้อแล้นเนี่ยก็ต้องเอาที่ปัจจุบันทำเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้เราเราคิดว่าสัมมาทิฏฐิที่สุดแล้วเราคิดว่าดีที่สุดแล้ว แล้วเราก็เลยพยายามทําอย่างนั้นให้มันดีที่สุดเวันวิธีจะแก้จะแก้ไอ้ตัวไม่ดื้อรั้นได้เนี่ยว่าอาตมาถึงบอกว่าพยายามนะให้มองมุมตรงข้ามเอามาพิจารณามุมตรงข้ามบ่อยๆด้วยจะคลายตัวจิตดื้อรั้นได้แต่ถ้าใครเนี่ยไม่พยายามมองมุมตรงข้ามเอามาคิดเอามาพิจารณาบ้างบางทีเนี่ยมันจะยึดจัดเลยจนกระทั่งกลายเป็นความดื้อรัน้นดันทุรังก็ได้ มันกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่พยายามเอามุมตรงกับข้ามกับที่เราคิดเนี่ยเอามาพิจารณาให้ดีมันบางทีเนี่ยมันเลยเลยเถิดกลายเป็นอัตตามารณจัดนะอันนั้นเป็นข้อ8ส่วนข้อ9ไม่ยินดีในการขัดค อ, อะนะคือเวลาใครมาติใครมาว่าใครมาเตือนหรือว่า ใครมาพูดมาสอนอะไรเราก็แล้วแต่นะบางทีเราชอบอวดภูมิเราบ้างอะ่ะแหมคุณจะมาอวดแต่ภูมิคุณมันอะไรอะ่ะมันจะเกินเกินไปมัางนะก็ให้เราบ้างเราก็มีภูมิเหมือนกันะนะน <c oughs> เ, <อ>เพราะนั้นก็เลยเนี่ยข้อเก้านี่พ่อท่านก็เลยบอกว่านะอย่าไปยินดีในการขัดคอคนอื่นเขา พวกเราอันตราได้ยินบ่อยนะพวกเราเนี่ยจะมอีอันข้อเนี้ยัย ง, ย, งยังรู้สึกยังยินดีในการขัดคอกันอยู่บ่อย <c oughs> บางทีคนอื่นเขาพูดเขาอะไรเนี่ยนะเราเอาแล้วเราต้องพูดออกไปชนิดที่เรียกว่าเหนือกว่าคือเหนือกว่าออกไปอยู่เรื่อยๆอนะี่ยไปขัดคอเขาหรือบางทีก็เจตนาดีนะแหละไม่ได้เจตนารายหรอกบางครั้งก็เจตนาดีรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่พูดพูดพูดพู ด, พดนะเราก็เสียบปักเข้าไปเลยนะชนิดที่เรียกว่า เออมันจะได้เบาๆลงมากเจตนาดีเออนะคือขัดคอเขาอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องไปพูดไอ้เรื่องนี้มากนะเพราะฉะนั้นก็บางทีก็อย่าไปยินดีในการขัดคอโดยเฉพาะคอใหญ่ๆอนะคอใหญ่ๆอนะคุณขัดคอใหญ่ๆระวังเลยนะคุณไปขัดคอเล็กๆไม่เท่าไหร่หรอกคุณขัดคอใหญ่ๆระวังนะอ้าข้อที่สิบ มีปกติรับฟังความเห็นต่างอย่างดีเยี่ยมเห็นไหมข้อนี้ความเห็นต่างเลยคือว่าไม่เหมือนกับเราความเห็นที่โดยเฉพาะที่ตะกี้อาตะมาบอกว่าความเห็นที่ตรงข้ามกับเราเลยคุณจะต้องมีปกติรับฟังจะต้องคําว่ามีปกตินี่คือต้องฝึกตัวเองเสมอๆเพราะฉะนั้นอย่า ก, กลัวคนที่คิดเห็นตรงข้ามกับเราหรือคนที่มันมีทิศสัยจริตที่ต่างจากเรา อยากกลัวบางคนนี่กลัวมากไม่อยากทำงานด้วย lar, ไม่อยากเจอด้วยไม่อยากพูดคุยด้วยเพราะอะไรเพราะพูดแล้วมันขัดคอเราอยู่ด้วยพูดแล้วมันไม่ตรงกันเราก็เดี๋ยวจะทะเลาะกันไม่ไม <c oughs> ่ใช่นะไอ้นมันมันแบบปูุ่ชนไปคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีปกติเลยปกตินี่หมายถึงว่าเราจะต้องรู้ความเป็นจริงเลยว่าโอ้โหเราจะได้ฝึกใจเราเราจะได้ฝึกปรับ ยิ่งคิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยเออคิดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นได้บางทีเราคิดแทบหัวจะแตกยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาคิดอย่างนั้นได้ยังไงนี่เราไม่ได้พูดไปถึงว่าไอ้คนเลวคนพานที่ไหนนะนี่เราพูดหมายถึงว่าเนี่ยบางทีหมู่มิตรดีสายดีเนี่ยแหละไม่ต้องเป็นคนอื่นไกลหรอกพวกที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่เขาคิดเห็นไม่เหมือนเราเนี่ยบางคนเน่ยเห็นมาอัศวันต์อบอกว่าโห หนักเลยนะไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเพราะฉะนั้นไปทํางานกับคนที่ไม่ตรงจริตกับเรานี่ทําไม่ได้เลยเพราะมันหงุดหงิดมันอึดอัดมันลาคาญไปหมดอะ่ะดูสิมันพูดมันแสดงความคิดเห็นมันอะไรนี่มันแย้งเราไปหมดอะ่ะมันขัดกับเราไปหมดแเราทนไม่ได้เลยเพราะเราไม่ฝึกตัวเนี้ยไม่ฝึกตัวที่จะเออหัดนะรับรู้รับฟังหรือว่าใกล้ใกล้ชิดกับคนที่ มีความคิดเห็นต่างอจากเราอ่านะเป็นข้อ 10. สิบเสร็จข้อ11เป็นผู้มีความอดทนนะแล้วก็ข้อ12อุตสาหะบากบันภาคเพียนข้อ11ข้อ12บนี่กำปั้นทุกดิน <c oughs> นะว่าต้องอดทนแล้วก็ต้องบากบันภาคเพียนจึงจะเป็นผู้เจริญไม่มีวันตกต่ําอันนี้12ข้อถ้าจะพูดจะขยายอะไรต่ออะไรก็ได้มากกว่านี้ นะโดยที่เราจะยกตัวอย่างมาอันนี้เป็นเพียงข้อแต่ความเป็นจริงแล้วในชีวิตจริงๆของเราโอ้โหมันต้องฝึกมากๆต้องไปจับจิตจับใจของเราเนี่ยให้ดีๆแล้วก็ต้องแก้ต้องล้างจริงๆถ้าใครเนี่ยไม่ไม่ทำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้วเมื่อคนนั้นไม่ทําให้ได้คนนั้นก็คือผู้ตกต่ําจะไม่มีวันที่จะเจริญขึ้นตกต่ําจริงๆ นะอันนเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นหัวข้อเท่านั้นนะเป็นแค่หัวข้อแต่จริงๆแต่ละคนเนี่ยถ้าไปอ่านแล้วก็พิจารณาข้อหาตัวเองข้อหาตัวเองนะไม่ต้องไปมองคนอื่นเขาพยายามพิจารณาข้อหาตัวเองแล้วคนนั้นจะเอาไปปรับแก้ใช้ได้มากเพราะในหนังสือเล่มนี้มันเป็นเพียงแค่หัวข้อเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราแต่ละคนมีอยู่แล้วให้เราเอาไปพิจารณาด้วยตัวของเราเองก็แล้วกัน เอาวันนี้ของพอซะนี้